จะให้เทศเรื่องอะไรหน้าตาซ้ำๆท่า้นเลยนะหมอจะฟังเรื่องอะไรเรื่องแล้วแต่หลวงพอ่อมีใครเคยฟังหลว ง, งพ่อเทศัง้งทางซีดีหรือวิทยุเพราเยอะนี่นะมีหน้าละ่ะไม่มีธรรมะจะเทศละ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 เนี่ยเราดูร่างกายเขาทำงานไปได้ดูเหมือนเราดูคนอื่นดูเหมือนเราเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวกำลังทำงานเนี่ยดูกายอย่างนี้ดูเหมือนมันเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง่องตอนนี้หุ่นยนต์กำลังนั่งอยู่เยอะแยะรู้สึกไหมมีหุ่นยนต์สองสามตัวเดินอยู่หุ่นยนต์ส่วนใหญ่นั่งเนี่ยเราก็รู้สึกนะเราไม่ต้องดูคนอื่นเรารู้สึกที่ร่างกายนี้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 นั่งหายใจแล้วก็เงี้ยหยใจใจมันก็เงียบเงียบสบายสบายเงียบเงียบโง่โง่เงีย บ, บ, ยง เ, งยบเงียบแบบโง่โง่ไม่รู้อะไรนั้นเราต้องหัดวิปัสสนาให้ได้นี้หลวงพ่อมาเจอหลวงปู่ดูลเด่นกุมพาปี2525พันีไปกราบท่านไปถึงก็บอกท่านเลยบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติ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 แต่เวลาเรียนกับหลวงพ่อนะ่ะเสมอภาคกันนั่งเสือเหมือนกันหมดเลยโนดะยแค่ไหนดังแค่ไหนเท่าเท่ากันแนละ้วเราต่อค่อยๆฝึกใจของเราจนกระทั่งเรามีความสุขอยู่ในตัวเองมีความสุขเพราะมีสติมีความสุขเพราะมีปัญญามีความสุขเพราะสามารถปล่อยวางกายวางใจตัวเองได้ฝึกไปเรื่อยนะเราจะมีความสุขได้ครึ่งชั่วโมง <c oughs> ใครจะถามอะไรเชิญ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 อย่าตอนเนี้ใจลอยรู้สึกเปล่าขอ <c oughs> งยมนะ <c oughs> ไปไปดูตรงนี้ดูตรงที่จิตแอบไปคิดจิตชอบหนีไปคิดรู้สึกไหม <c oughs> ความกังวลนะั้นมันตามหลังการหนีไปคิดมาถ้าจิตนี้ไปคิดปุ๊บเรารู้สึกจิตนี้ไปคิดปุ๊บเรารู้สึกเราจะไม่กังวล <c oughs> แล้วถ้าเราภาวนาะพุทธโธพุทธโธบ่อยๆนี้หลวงพ่อแล้วจิตจะมาอยู่กับตัวใช่ไหมคะจิตก็อยู่กับพุทธโธสิ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 เราอยากให้หายรู้สึกไหมตรงอยากให้หายเนี่ยใจเราไม่ชอบความฟุง้งซ่านใจเรามีโทสะแทรกอยู่งั้นจิตในขณะนั้นไม่ได้มีสติที่แท้จริงแต่จิตในขณะนั้นมีโทสะไม่หายหรอกไม่หายฟุง้ง แ, แล้วหนาหัมาดูจิตทีทีว่าเอาตอนนี้ฟุ้งอีกไหมเนี่ยยังไม่ฟุ้งจงใจหันก็ไม่ได้นะบ้านอยู่ไหนดู่ใจ <laughs> บ้านอยู่ที่ไหน บ้านอยู่นครปฐมค่ะเออมหัดเรียนกับหมอนัดหมอผมสัตว์อ้าวเบอร์สองตอนนี้ยังทำแต่สมถะยังได้สมยังไม่ขึ้นวิปัสนานะจิตนะในเบอร์สองอยู่นะอโยมไปส่งกันบ้านเมื่อสัา์ตุลาปีที่แล้วตอนนั้นคือมันเห็นแต่เกิดเกิดดับๆหลวงพ่อเขาบอกว่าให้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 พอเดินไปแล้วใจลอยแล้วรู้สึกใจลอยแล้วรู้สึกรู้ว่าใจลอยถ้าซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆนี่จะไม่หลงนานของโยมมันไม่มีแรงแล้วจิตมันหลงนานตอนนี้รู้สึกมันอ่อนมากเลยนั่นแหละไปเพิ่มแรงก็ด้วยการไปเดินเดินจงกลมนะเดินเป็นไหมชอบเดินค่ะเดินให้ดูได้ไหมก็เดินออกมาเดินเนี้ยอากมาเดินโชว์เห็นไหมขาดสติเห็นไหมอ่าพอละนั่งได้ เนจงกลมก็คือเดินมีสตินะเดินรู้สึกตัวไปเนี่ยอย่าอย่าไปแบบดูไปเรื่อยอย่างเดียวอย่างเดียวไม่พอถึงจุดหนึ่งมันหมดแรงต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่อย่างเอาการเดินจงกรมเป็นเครื่องอยู่เดินไปแล้วก็รู้สึกรู้สึกไหมจะคล่ำครวน <c oughs> จิตอยากคล่ำครวนรู้สึกไหมให้รู้ทันมันเข้าไปเลยเนี่ย <c oughs> จิตแอบไปคิดรู้สึกไหมรู้สึกไหมตัวนี้มันทะยักหน้า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 ตัวละครมีอยู่สองสามตัวมีคนดูสมมุติเลตติ้ง <Let ting S 2> สูงดูแสนคนมันก็สนุกแสนคนอ่ะมันไม่ต้องเฉลี่ยความสนุกไปเหลือคนละนิดเดียวนะหลวงพ่อครับยังมีคําถามหนึ่งของบุญยายครับผมอ่าว่าไป <laughs> คือเตี่ยแม่เป็นคนต่างดาวไอ้ต่างด้าวครับือ <c oughs> ขอโทษครับเป็นคนต่างด้าวครับผม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 ต้องภาวนาสบายนะไม่ใช่ภาวนาเราเครียดจริงจังไปดูให้สบายกว่า น, นี้อีกลุกสึกไม่ใจเราแข็งแข็งต้องดูไปด้วยใจที่สบายสบายโล่งโล่งเบาเบานตอนเริ่มต้นเนี่ยจะต้องใช้าการเดินเดินเ ด, นเดนก็มีประโยชน์นะเดินค่อยถนัดหนะ่อยเราต้องจัดเองอ่ะเอาว่าไปพัสดิกานครบพ่อครับ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 มันจะเห็นทั้งกายทั้งใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราอย่าตอนนี้ใจลอยรู้สึกไหมใจไปคิดมันแบบไปเกิดสภาวะที่ว่าใจลอยไปไว่าใจไปไก็ตามนะเกิดทุกข์ซาหรือเกิดภาวะมนคลายมแต่ว่าเรารู้ว่าเฮ้ยมันกลังเกิดอยู่ตรงนี้กำลังบคุมราอยู่องน่ถือว่าใช้ได้ใช่ไ้ได้นะไม่ผองใสไม่องสไม่เป็นไรให้รู้ด้วยความเป็นกลางตัวสาคัญคือรู้ด้วยความเป็นกลาง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 ปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่จิตหรอกอย่างตอนนี้ใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมเสด อ, อบอกแล้วทราบเพือย่างดีบางคนบอกแล้วเถียงหญิงนะหลวงพ่อเคยเจอนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเราบอกใจลอยแล้วแหมมันโมโหเรานะสบัส <c oughs> ดิฉันไม่เคยใจลอยเลยนะโอ้โหน่ากลัวควัสดีครับ ยังไม่ได้หรอกนะถึงช่วงหนึ่งก็ต้องทําความสงบพอมาบ้างนะเพราะนเราต้องดูเวลาเราขับรถใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องเหยียบคันเร่งเดี๋ยวก็ต้องเหยีบ ย, เยบเบรกการภาวนาเหมือนกันนะบางทีก็ต้องทําสมถะนะบางทีก็ทําความสงบให้จิตมีแรงขึ้นมาบางทีก็ต้องเดินปัญญาไปแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยคุณคอยรู้กายคอยรู้ใจที่คุณฝึกอยู่เนี่ยคุณจะคอยรู้ใจอยู่นะคุณรู้ไปเรื่อยแต่ใจของคุณตอนนี้ย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 หลว ง, ง, ง, งยาวเมื่อกี้บอกแล้วไงต้องมีวิหารธรรมะจะอยู่กับพุทธโธก็ได้ท่องพุทธโธพุทธโธไปนะเราใจแอบไปคิดรู้ว่าใจแอบไปคิดจ้าค่ ะ, ะท่องไปมากๆานะพอใจแอบไปคิดก็รู้ว่ใจแอบไปคิดก็รู้ต่อไปพอใจไหลไปคิดปั๊บสติเกิดเองเลยรู้เองจ้าค่ะแล้ว อ, อยากให้หลวงพ่อจิตขนาดนี้กับเมื่อกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมเจ้าค่ะเออมื่อกี้มันมืดกว่านี้ดูออกไหม ถ้าใครรู้สึกไปอย่างเงี้ยพอรู้สึกรู้สึกนะใจมัจะโล่งขึ้นมาสว่างขึ้นมาคนที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จตะเกียบหลงแล้วขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะอ้าวเบอร์ต่อไปเบอร์อะไรแล้วล่ะกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมเพิ่งาพหลวงพ่อครั้งแรกก็จากการฟังซีดีหลวงพ่อก็พยายามฝึกนะครับเมื่อเมื่อก่อนเนี้ยผมฝึกโดยฝึกแบบอานาบานสติ แล้วก็กำหนดการพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายด้วยพิจารณาธาตุสีปฏิปูละสุกกรรมฐานจนจิตแสดงให้เห็นไตรักให้รู้ว่าร่างกายเป็นของเราในการการฝึกแบบนี้บางครั้งก็จะกลายเป็นสมถภาวนาะใช่ทำอย่างนั้นส่วนมากกลายเป็นสมถะ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 อยู่ข้างหน้านะครับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะได้จากเด๋วเดี๋ยวอยู่ไห น, นอ๋อค่ะก็เริ่มจากแฟนเขาฟังซีดีแล้วก็ได้ฟังเป็นเพืกันนะคะแล้วก็เริ่มฝึกปฏิบัติแล้วก็ไปที่วัดบ้างนะคะก็อยากจะเรียนทางเพราะว่าที่กำลังปฏิบัติอย่างเนี้ยทุ่ายวัทางแล้วถูกสิถ้าปฏิบัติมันก็ถูกแหละ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 พุโทโธพุทโธแล้วใจไปล็อกไว้ก็รู้นะพุโทโธไปพุโทโธแล้วดูใจไปเล่นๆมันล็อกไม่หยุดเลยครับใช่รู้สึกมันล็อกไม่หยุดเลยครับทรายยิ่งเราเกลียดนะมันยิ่งล็อกยิ่งเราเกลียดเราก็ยิ่งจงใจไปดูมากขึ้นมากขึ้นว่าทํำยังไงมันถึงจะหลุดยยิ่งล็อกหนักกว่าเก่าต้องเลิกปฏิบัติแล้วมันก็หลุดทันทีร้องเพลงเป็นไหมร้องให้เขาฟังแล้วเพลงได้ไหม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 พ่อขายอยู่ทางนี้ค่ะอ้าวว่าไปเอาแล้วพวกที่จะมาส่งกันบ้านน้ำมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อพิการให้หลวงพ่อเอยียงอยู่ข้างเดียวก็จะขอส่งบ้านก็ถามว่าที่ทนคจะตามหรือ่าทีก็สดดูให้สบายๆนะดูเล่นๆดูยังมีความสุขแต่ว่าขยันดูดูบ่อย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 เขาก็ทุกโดยตัวของเขาเองอยู่เยอะแล้วเราจะไม่ขอไปเพิ่มความทุกข์ให้เขาต้องทําใจอย่างนี้ไหม<ล>ถ้ า, าเราไปเพิ่มความทุกข์ให้เขาเราก็จะทุกข์เยอะเองคือถ้าหนูไปปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยความทุกข์ขอ ง, นงออหนูก็จะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะความทุกข์จะลดลงไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติถูกนะแล้วก็ต่อเนื่องถ้าฝึกถึงขีดสุดจริงๆจะมีแต่ความสุขล้นๆ้เลยอันนี้ข อ, ขอบพระคุณมากค่ะเบอร์อะไรเดี๋ยวต้องต่อด้วย กายภาพแล้วเล่นนั่งเอียงข้างเดียวกันนวัฒนธรของพ่อครับก็ไม่ได้ไปส่งการบ้านหลวงพ่อเ<ร>พ่าะ<ป>พอดีไปผ่าตัดไซนัสมาแล้วหมอเขาก็แพ็กจมูกต้องหายใจทางปากสักสองวันเขาก็ขู่ไว้ว่ามันจะทรมานมากแต่ว่าก็ความทรมานมันก็แยกออกมาครก็ครูบาอาเคยให้คำแนะนําก็คล้ายๆกับ ว, ว่ามันจิตมันจะเวทนามันแยกออกจากกั น, นก็ไม่ทรมานมันก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับแต่วันนี้เนี่ย ตอนเช้ามาฟังซีีแผ่น25แผ่นใหม่นี่ก็จะค่อนข้างสงสัยเยอะครับเริ่มมีเถียงหรือใเช่นฟังหลวงพ่อก่อนหน้านี้ก็มีครับโมยเล็กตัสอะไรไหมเยอะแยะเลยคนละเผ่ากันคนละพันวันนี้คือผมคนที่นครปฐมนีครับพาคุณแม่มาด้วยอยากจะขอคำแนะนำคุณแม่ครับนั่งอยู่ข้างลังนะครับเดี๋ยวคนอื่นเขายอมเปล่า ไหนคุณแม่ยกมือโอ้คุณแม่ดีใจดีใจก็รู้ว่าดีใจไป น, นะฟังซีดีบ่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันตื่นขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าแต่ละวันลูกเราน่ารักไม่เท่ากันนะบางวันก็น่ารักบางวันก็น่าเกลียด น, น่าตีรู้สึกไหมเนี่ยแม่พยักหน้าแนละ้วนเะนี่ยคอยดูใจของเราไปเรื่อยๆใจเราไม่เคยคงที่เลยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะ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 เห็หรือถูกเจ้าคะถูกสิเห็นร่างกายมันทํางานไปเห็นจิตใจมันทํางานไปมันไม่ใช่ตัวเรานะดูไปอย่างนั้นถูกแล้วละ่ะแล้วหลวงพ่อเมตตาด้วยเจ้าคะ่ะเพราะว่า <ใจ S 1> โอกาสทีจ่ จ, จะเปใจมันนิ่งเกินไปเจ้าคะ่นะใจมันติดความนิ่งเกินไปให้มันค<ะ>เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบ้างเจ้าคะ่ะอย่าไปประคองให้นิ่งเจ้าคะ่ะอ้าไปคนต่อไปขอบพระคุณเจ้าคะ่ะ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 รู้สึกไหมจิตขณะนี้คลายกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเมื่อกีก้มันเครียดใช่ไหมตอนนี้มันคลายออกในจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูไปเรื่อยๆนะสาธุเจ้าค่ะสาธุแปลว่า ด, ดีกราบนพิธการพระอาจารย์ค่ะยันเคยเดี๋ยนะ เ, ยเดี๋ยนะเมื่อนะนะสิห้าหลงแล้วรู้สึกไหมเผลอไปตั้งนานตั้งแต่ส่งใหม่เลยลืมกายลืมใจ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 ไม่ใช่ว่าอยากรักษาศีลไม่ผิดศีลทางวาจาแล้วก็ไม่พูดการถือศีลไม่พูดเนี่ยเป็นวัดชนิดหนึ่งวัดตรละชนิดหนึ่งชื่อหมู่ขวัดวัดของบัวบัวไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะบานๆของเราพูดแต่เรามีสติเนี่ยแบมีสัมมาวาจานะรู้สึกไปคนเราจะพูดเท็จพูดสอบเสียดพูดคํหยาพูดเพรสเจอร์อะไรที่ผิดศีลได้